บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาวสชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงสิ่งที่เป็นปนัญหาภายในใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไมว่าจะเป็นอุบาสุบบาสิกาหรือพระภิกษุสามเณรก็ตาม ก็มีปัญหาใหญ่ในเรื่องของความัตถาเลื่อมใสที่เลื่อยลอยคือไม่มั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คาดความเมตตามีความรุนแรงมีการกระทุ้นมีการกระพฤ้นการกระทําที่เรียกว่าสร้างเวรสร้างภัยสร้างอันตรายให้แก่กันแล้วก็มักจะมัวมองหมกมุ่นอยู่ในเรื่อง ของอารมณ์โลกทั้งหลายให้ความต้องการแก่ลูกเสียงลิ่นรสสัมผัสที่ใจคนไปกำหนดว่าน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจโดย ก, การใช้ชีวิตการํบรมชีวิตอยู่ด้วยความประมาททางในวัยในในชีวิตและในความไม่มีโรคของตนซึ่งข้อเหล่านี้พระพุทมพระพาคเจ้าทรงแสดงอารมณ์กักบกรรมาฐานเป็นเครื่องแก้เอาไว้ เวลทรงสแสดงนั้นทงวางกระจัดกระจายไว้ในที่ต่างๆคือคนละหมวดคนละกลุ่มกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าวจะอยู่หัวทรงจัดเข้ามาไว้ในที่เดียวกันเรียกว่าจตุราราคากรรมฐานแปล ว, ว่ากรรมฐานที่มีการฝรึกตือประพฤติปฏิบัติรรบสี่เรื่องใหญ่ๆ และพร้อมที่จะเป็นฐานให้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาในข้อต่อไปเมื่อบันก่อนนั้นได้พูดถึงเรื่องการเจริญพุท ธ, ธานุสติเพื่อแก้ปัญหาสัทธาร่่มใสที่เลื่อนลอยซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจวิธีการทั้งหลายนั้นที่ รูบาอาจารย์นดีได้สั่งสอนศึกษาเพาื่อปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นก็ใช้หลายวิธีก็เริ่มโดยการประกาศตนถึงประการตระหนักในการต่อมาก็มีการสวดมีการสาธยายในรูปลักษณะของความรร้องสรรเสริญตรงนี้ก็คือการเพ ย, ยายามที่จะเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อภาษาธาความโดดสายพันโคกมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบ บ, บ ใ, นในระดับนี้ที่จริงก็กำหนดแสดงไว้วิจิตปิสดานเช่เดียวกันอีกแนวหนึ่งก็คือการนำมาภาวนาโดยยกเอาบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรก็ได้คือมาภาวนาให้จิตตรดจ่ออยู่กับบทพุทธคุณดอนั้นซึ่งตามปกติแล้วมักจะนิยมคำที่เป็นสองประย อย่างพุทธกุลก็มักจะใช้กับพระพุทธโธก็มีสองพยาคงค์กำอ่านบางครั้งบางคราวมหอาจจะยาวไปแต่ถ้าไม่สนใจดูที่ลมหายใจเข้าออกคือกำหนดเป็นบทภาวนาอย่างเดียวที่จริงจะบทใดก็ตามแล้วก็นำจิตใจเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันอีกระดับหนึ่งก็คือ น, นำเอาพระพุทธกุณมาคิด มาพินิจพิจารณาตามกระบวนการของธรรมะที่ท่านเรียกว่าเป็นพทนชงกร อ, องธรรมที่จะนำผู้ประพฤติธปฏิบัติให้รู้ธรรมะเหล่านั้นจนถึงบรรลุมกุฎนิพพานไปเรียมต้นโดยการตั้งสติและเลิกรู้อยู่ที่บทพระพุทธคนุน แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามให้สติทั้งจดจ่ออยู่ตรงนั้นํานองคล้ายๆกับจับของให้นิ่งแล้วมาขีดมาเขียนมาเจาะมาขัดมา ถ, มาถูยังไงก็ตามคือสิ่งนั้นจะต้องนิ่งการฝึกจิตนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจิตต้องนิ่งสักกัน จากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบตรวจสอบจากคำแปลพุทธุคุณแต่ละบทแล้วก็พิจารณาตามไปในพระพุทธุคุณบทนั้นๆพ็มีลักษณะอย่างไรเป็นจริงตามนั้นหรือไม่เมื่อเห็นว่าเป็นจริงชะนั้นจิตใจก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมา ก็เป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตตอนลงทํามเหล่านี้ผนในช่วงหลังนี้ทรงเรียงไว้เป็นสีข่ข้อเรียกว่าปีติคือความเบิกบานภายในใจเป็นลักษณะาการพใจาันฟูขึ้นมันมีความอึดบิ่มมันมีความทราบสั้นไปในทั่วกายทางกายทางจิตแต่ไราเห็นว่าจิตที่นั้นจิต ท, ที่จริงจิตมันบิ่งสร้างไปในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นตัวปัใจจัยให้เกิดปีติการสอนเรื่องปัจสัิคือการทำกายทำวัจจารทำใจให้สงบแต่ทั้งจิตก็จะเป็นสมาธิแล้วจะใช้พลังของสมาธินั้นเองเพ่งพินิษ ท, ที่เรียกว่าอุเบกขา กระบวนการธระมาที่กล่าวไว้ข้างต้นสามข้อก็คือสติความเพียรและสัมพันธ์ยะก็จะมีปริบาลเพิ่มขึ้นแระดูภาพที่เป็นรูปวัตถุมันคล้ายๆเรานำของมาปรุงรวมกันและมีการคนการกวนโดยของเรานั้นก็สมเป็นเนื้อเดียวกัน มีสีสันต่างหากออกไปจากตอนใหม่ๆมีกลินปรากฏใหม่ออกมามีรูปร่างก็ใหม่ออกและโดยเฉพาะอย่างนี้คือรถที่เราสัมผัสด้ลิ้นมันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นรถที่ร่วมกันของสิ่งผสมในหลายสิ่งก็ตำอนอ ง, องด้แค่กับปรุงอาหาร ที่บุคคลเกี่ยวข้องบุพกนรณ์อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะบทพระพุทธคุณที่จาแนกแสดงเอาไว้ผู้พิจารณาจำเป็นจะต้องรู้จะต้องเข้าใจถึงความหมายของพระพุทธคุณแต่ละบทแต่เราไม่เข้าใจเราก็คิดไม่ออกเราก็เชื่อมต่อไม่ได้เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ยืนยันว่าที่ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริง เราแสดงว่าเราต้องรู้เรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าการเคลื่อนไหวของพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลมาทรงทำอะไรอย่างไรที่ไหนแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรขึ้นในสถานที่เหล่านั้นพู้สังเกตว่าสังคมไทยเรานั้นจะใช้พุทธคุณสามบทเป็นหลักอย่างการกล่าวมอบน้อมพระรัตนไกรของเราทีาาาา่ใช้คำว่าอหลังสมมาสุปโธพุทธังระควันตังอภิวัติมิ เป็นการเน้นที่ตัวบริสธิคุณคือคำว่าอาราหังแต่บางครั้งเราก็นอบน้อมในบทรงโมหซึ่งจะใช้ในกิจกรรมทั้งปวงคำว่าภักขวาโตเป็นคำที่แสดงถึงการุณาคุณของพระพุทธเจ้า ที่ต้องทำหน้าที่จำแนกขี้แจงแสดงธรรมะแก่บุคคลอื่นโดยวิจิตพิสดารนะคนเหล่านั้นก็ได้รับประโยชน์จากการศึกษาการปฏิบัติธรรมะแต่บางครั้งเราก็สวดในแนวที่เรียกว่าพุทโธสุสโตกรุณามาณโวยานิธรรมหลายได้สวดผ่านไปตรงนี้นเป็นการให้ความสำคัญแก่ปัญญาคุณระดับแรกก็แสดงว่าพอถึงพระคุณรวมเราก็เน้น ในที่ต่างๆไม่เหมือนกันบางครั้งเน้นที่บริสุทธิ์บางครั้งเน้นที่การุณาบางครั้งเน้นที่ปัญญาจะถามมาทำไมเป็นเช่นนั้นก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความทราบซึ่งความดึกดำความประทับใจในพระบุทธคุณหลักสามข้อรายทราบซึ่งในจุดใดเวลานั้นท่านจะเน้นไปที่ตัวการูนา บางเราในการต่อมาเราก็ว่านาโมยอยู่ด้วยไว่จะประกอบพิธีกรรมยังไงก็ตามนั้นคือการมองว่าแม้พระพุทธเจ้าจะศรสรูบรรลุความเป็นพระธรรมปฏิปุจา้าเพียงเรเข้าถึงผลสมบูรณ์ด้วยพระองค์เองเรียวกว่าประโยชน์ของพระองค์ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ตอนตรัสรู้ถ้ า, าว่ากพระองค์ไม่กรุณาสเสด็จไปสั่งสอน พุทบ ร, บริษัทต่งหลายอยู่ถึง45ปีก า, ารรวบรวมคําสอนของพระองค์การจัดเป็นองค์กราศาสนาการนําสื่อพระพุทธศาสน า, ามาจายู่ถึงยุคสมัยของเรามันก็เป็นไปไม่ได้จุดจนี้จึงเป็นเน้นที่ตุตัวกรุณาคุณคือความกรุณาของพระพุทธปฏิปักษ์ดังนั้นกระน้เดกันคนอื่นก็สามารถจะคิดได้ว่ากา ร, กรทุจริตของคง์ ของพระองค์เกิดความกรุณาโดยไปเลือกชนชาชบนบรรณะหรือชนเผ่าของแต่ประการใดนั้นแสดงให้เห็นถึง ป, ปัญญาของพระองค์ที่สมบูรณ์ก็เห็นว่าตัวปัญญาคุณนั้นเป็นที่มาของคุณได้ความ น, นั้นก็จะให้ความสำคัญแก่ปัญญาจตในขณะเดียวกันเรจะเห็นว่าตัวผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาก็คือบริสุทธิ์ กรีนาจึงเป็นกุีนาที่เกิดขึ้นจากใจบริสุทธิ์ถ้าก็ใจยังมีเรามีเขายังมีการเปลี่ยนแปลงกันยังมีการแบ่งแยกยังมีความริษยาแข่งดีโอกาสที่จะทำใจให้กรมาต่อบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นไปได้ยากเรวเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว บาค น, นนี้ก็จะซาบซึ้งก็จะดื่มด่อยู่ที่ตัวบริสุทธิ์พอเป็นเวทให้พระเจ้าทรงน้อมพระ อ, องค์ลงมาสัมผัสโลกทรงเป็นพี่คนโตของชาวโลกเป็นการยานมิตรของชาวโลกอายู่คลุกคลีกับประชาชนผู้สมมวนปัจจุบันเรียกว่าท้าติดดินคนก็จะเห็นความบริสุทธิ์ในส่วนนี้ ที่ในแง่ของความมันจริงแล้วาะคุณทั้งสามประกาศกานเขาก็ถึงแัดมีข้อหนึ่งก็คือมีอีกสองข้อไม่ว่าจะเลือกตัวตรงไหนก็ตามเพราะว่าจะยันกลับไปกลับมากันได้เช่นคนที่มีความกรุณาอย่างสมบูรณ์ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะมันมีทำได้พวกเดียวคือคนที่ใจบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์มันก็ทาไม่ได้ ตัวการที่ใจคนจะบริรรสุทธิ์พระเจ้าทรงแสดงว่าปัญญาอย่ากบริสุทธิ์เจติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้ก็ได้ปัญญากระทันหันคนที่มองเห็นความสัมพันธ์ของปัญญาก็ไป เ, เทิร์ททูดยกย่ปัญญาว่าถ้าไม่มีปัญญาความเฉกก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือความเกี่ยวเนื่องถึงกัน และก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันของพระคุณทั้งสามพระคุณด้นานศึกษาประเด็นแรกก็คือคำว่าละหังเดียวสวกคำว่าละหังสมมาสมุติโถในจุดนี้ก็เน้นที่ตัวบริสุทธทิ์ีกุณก่อนใครตั้งคำถามว่าคำว่าละหังแปลว่าอะไรยังแปลว่าอย่างไง ท่านจะได้สแสดงความหมายของคำว่ า, าอาราหังเอาไว้หลายระยะด้วยกันแต่ต้องเข้าใจว่าที่จริงอารหังนั้นเป็นคําเก่าโบราณมากใครมีทำอะไรก็ตามมีลักษณะโดดเด่นคือแผกออกไปจากสาวบ้านเราอื่นซึ่งบางทีดูแล้วก็ไม่น่าขโรนกนักเตืออะไรแต่คนก็ตื่นเต้นคนจะให้ความสาคัญจะให้ความขารกนักถือ แต่นแรกเราพบว่าระมาณบางเรื่องของศาสดาบางบางท่านในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลเยอย่างท่านปุรนกัสปะเองเป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าก็แนวคือไม่ลุ่งผ้าตั้งแต่เดิมอาการที่ไม่นุ่งผ้าทีจริงมันเป็นอุบัติเหตุคือ ท, ท่านเป็นผ้าคนที่เต็มหนึ่งรอย แล้วผมก็กปวดตาเราเป็นเลขมงคลไปไหนก็นําไปด้วยเป็นผู้ติดตามแล้วใช้ใกล้ชิดเจ้านายแต่แกก็คิดจะหนีจากความเป็นทาสจะเลยวันหนึ่งมาได้จังหวะแกก็วิ่งหนีไปไหนไปอยู่ใกล้ใก็กระโดดไปตะครุบติดผ้าติดผ้านุ่งเขก็ดึงผ้านุ่งเอาไว้แต่ก็ดิ้นจนผ้านุ่งหลุดจากตัวก็เว้นผ้ายาวๆอย่างผ้าแขกที่ก็นุ่งกัน คนก็ตื่นเต้นกว่าคนทั้งหลายนั่นนุ่งผ้ากันทั้งหมดในนี้ไม่นุ่งผ้าแสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาก็คงเป็นพระอรหันต์ก็มีการเคารพนับถือ ก, กันทีนี้นในพันธุพยาธุจิริยะซึ่งประมาได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาบรรลุพระผลเป็นพ ร, ระหันก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเกิดอุบัติเหตุเรือแตกวาย น, น้ําก็หาฝั่งจนผ้าพ่อนหลุดรุ่ยหมดไม่รู้จะเอาอะไรไปรนุ่ง ก็ใบไม้บางเปลือกไม้บางมาร้อยกันเข้าแล้วก็ทําเป็นเครื่องโน้มโขมคนก็ตื่นเต้นข้าเวเยาว์ท่านเหล่านี้เป็นพราหารแห่กันมาเคารพนับถือกราบไหวบูชากันเป็นการใหญ่ท่านเกาชักจะลหลงไหลได้ปลื้มไว้ล่ากับการาเหล่านั้นที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรคนก็ผลมาให้ท่านต้องการให้ท่านดื่มให้ท่านดื่มให้ท่านลิ้มให้ท่านจับต้องใหท้ท่านใช้สอย จะเกิดบุญกุศลแก่พวกตนแล้วก็ครอบครัวตลอดทั้งฆาตทา่ปริบัิถึงวัยจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เสียเวลาไปอย่า ง, งทั้งนุคนประสบผลของกรรมเช่นท่านชัมภู ก, กาปริภาชกมันเกิดขึ้นจากวิบัติกรรมในอดีตการนานไกลที่ท่านเคยด่าพระอระหันต์ให้ไปาัอุจาระ กรียกว่าอายุประวัตือกลาช่วงจากระยะเวะาวิบาตกรรมเหลดนัรร้นส่งผลให้ท่านประสบทุกทรมารในทั้งสารวัตรเป็นแม่า่านแล้วพอมาเกิดป่าไปกําเนิดม น, นุษย์ก็ออกบวชในพุทธศาสนาออกบวชในนิกายเซนนิกายเชนวิบาติกรรมที่สงรร่งผลให้ท่านอดที่จะดื่มกินอุจจาระตัวเองไม่ได้จนในสุดถุกขับออกจากสำนัก คนก็แห่แห้กันไปแกก็วางมากเป็นนักบวชใหญ่ยืนกแกนเอาแขนทั้งสองข้างกางออกไปแล้วก็เท้าเหยียบดินเพียงข้างเดียวแล้วก็อ้าปากคนก็เห็นบรรยากาก็ตื่นเต้นแห่กันบรรพระอาหารหันต์เกิดมาอีกแล้วแล้วส่อถามว่าทาไมท่านยืนเท้ า, ทาข้างเดียวท่านบอกว่าท่านนั้นเป็นผู้มีตะบะเดชะมาก หากว่ยืนสองเท้าแล้วในแผ่นดินจดสุดภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเกิโลกอย่างมากมายเพราะเลยก็ยกขาจะไว้ครันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภัยเป็นอันตรายต่อชาวโลกชาวโลกก็เกิดขอบคุณขอบใจเพื่อจะเห็นว่าความาศรัทธาในลักษณะนี้มันจะไม่มีปัญญาเข้าไปช่วยเหลือเรา้าหากว่าเท้าของท่านหนักจริงๆจะยกไว้หรือจะเหยียบสองเท้าเหยียบเท้าเดียวน้ําหนักมันก็เท่ากัน เขไม่ได้กัดเท้าชิ้งไปไหนเท้าคนอยู่ทันเองก็เพียงแต่ยกขึ้นไปมันแสดงเห็นลักษณะของโมคค่ะคือความมืดบอดจากการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาของคนที่หลงไหลได้เปื้อกับเรื่องเัานั้นก็ถามั่าทำไมต้องกางแขนออกานบอกว่าเพื่อจับประคองตัวเองเอาไว้ ถ้าหากว่าท่านปล่อยมือแล้วมันจะเกิดอาการเดืดร้อนกันทั่วโลกเขาทํามทไมจึงอาปากแกบอกว่าท่านกินอาหารธรรมดาไม่ได้ต้องกินอาหารทิพย์คือกินลมเรียกว่าตัดพักโขมีลมเป็นอาหารคนก็ตื่นเต้นนําของมาถวายขอให้พยายามจะเอาแตะลิ้นก็เอาก็จะเกิดบุตรเกิดกุศลเพราะได้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือพระอาหารทั้งนั้น คนสมัยนั้นเขาก็เชื่อ ว, ว่าเป็นพระอาจารยทางน้ำมันเขียนเหมือนกันแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่เหมือนกันเพราะว่าภาษานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในยุคในสมัยนั้นพระเจ้าแตสรุปขึ้นมาก็ต้องใช้ภาษาที่คนในยุคนั้นเขาสื่อสารกันได้ก็ติดต่อกันได้หลังการแตสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะ แปลว่าเป็นพระหันที่เกิดขึ้นจากการจัศรูดีศัศรูชอบดยตนเองแล้วสามารถสอนบุคคลอื่นให้จัสรูต่างด้วยคะว่าอาหารหันจิมีเป็นทั้งเหตุทั้งผลแล้วก็เป็นทั้งอาการในกรณีที่เป็นเหตุก็คือการที่คนผู้นั้นสามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจได้เขาเรียกว่าหักกรรมแห่งสังสาระจัก าากรรมการในสังสารวัตรนั้นในการแสดงคนเรานั้นจะต้องหมุนวนอยู่นนในสังสารวัฏเกิดต า, ต, าตายอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วกำหนดหมายไม่ได้ว่าจะเกิดเป็นอะไรอย่างไรเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นกระบวนการของกรรมจึงมันเกิดขึ้นในแต่ละขณะก็จิตดับด้วยกรรมอะไรก็จะส่งไปบังเกิดในสถานที่นั้นแต่เนื่องจากกรรมเรทําไว้ไม่เหมือนกัน มันก็เก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดาลชีวิตกรรเราก็เกี่ยวข้องกับ ก, บกรรมทั้งในขณะนั้นๆในขณะต่อมาก่อนจากนั้นและใ น, นในกรรมที่เป็นอนดีตซึ่งจะใกลขนาดไหนก็ต้องว่าแต่เป็นกรณีกรณีไปดังนั้นคำว่าอารหังที่แปลว่าหักกรรมแรงทำสาระจักก็คือหักกิเลสหักกรรมแล้วก็หัก เขาเรียกว่าอาวิชาตาณาอุปาทานก็พูดง่ายๆก็คือกิเลส ก, กระรมอวิชานั้นเป็นกิเลสที่ติดมาภายในจิตตัญหาแต่อุปาทานเป็นเรื่องที่อาศัยเงื่อนไขในปัจจุบันเกิดขึ้นเดยเนงพระว่าบางทีท่านเรียกอวิชชาว่าเป็นอดีตเหตุคือเหตุในมันไกลปัญหาอุปาทานนั้นเป็นปัจจุบันนเหตุคือเหตุทีใ่ใกล้ๆ แต่รจะ้เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้บางเ่องที่ใจเรามีความเคร่งแข็งมาก้ายแค่ไหนเปลี่ยนไรปังงั้นเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสตกต้องหยุดแนงของแข็งด้วยกันคนเมื่อไหจะเกิดจะหนาอับจะเกิดจะปาทานและในพวกเกิดเองมันเกิดมากเกิดน้อยมีเหตุผลมากมีเหตุผล น, น้อยจนถึงจุดหนึ่งก็เอาชานะได้หรืออย่างน้อยก็ลดความรุนแรงเมื่อกี้ลงไปได้อีกเรื่อ น, นคือกรรม กรรมก็มีทั้งอดีตและก็ปัจจุบันแล้ได้กล่าวไว้แล้วเจ้านี้ท่านถือว่าถ้ายังมีอยู่ภายในใจคนกรับแต่คนก็ต้องหมุนบนในทังสาระวัตรับนนั่นเพียงเราะผ่านเจือจางของวิชาตะานาวปฏานมันก็ทำให้กรรมมันเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นก็สแสดงว่าบาปน้อยลงก็บุญเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ลดลง พอบังเกิดในเพศชาติต่างก็อีกคือความสุขท่านก็สูงขึ้นความทุกข์ท่านก็ลดลงแต่ไม่ได้พ้นจากความสุขความทุกข์เพราะว่ายังมีตหนาปราทานยังมีวิชาอยู่แนวนี้คือแนวหลักการปฏิบัติที่หลายคนเดินอยูบนเส้นทางสายเดียวกันเราเรียกพระหันที่บรรลุมรรคผลเป็นพระหารัน ว่าอันนี้พุท ธ, ธคือรู้ตามที่รพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามที่รพระพุทธเจ้าเห็นเกิดขึ้นมาจากการละได้ตามที่รพระพุทธเจ้าละก็หมายความว่าอ า, าหางทั้งหลายนั้นทันละอวิชาตะนาวประฐานกรรมได้เช่นเดียวกับที่รพระพุทธเจ้าละได้เพราะชื่อจึงเรียกเหมือนกันเรียกว่าขีณาศพคือหมดอาสวะตนั่นการเรียกว่าอาหางเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรียกรพระพุทธเจ้า ในสถานะของผู้ชี่จัสวรีจะัรูรรชอบดโดยตรงเองแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตายคำสอนก็คือส่งสอนให้บุคคลมองโทษของอิชาวิจักหน้าตาของวิชาชัดเจนและพยายามมองเห็นโทษของอภิชาติแลดพยา ย, ยามที่จะลดความรุนแรงความมืดบอดโดยเหตุผนล ข, นของอวิชาต พระระบบทั้งหลายที่ส่งแสดงเอาไว้เช่นการศึกษาที่เรียกว่าประวัสูตรการพัฒนาปัญญาหรือความฉลาดในเรื่องราวต่างๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจบวันและเกี่ยวข้องกับโลกกับชีวิตกับสิ่งทั้งหลายในดับของศีลธรรมจัญญาเึงจะมีคาสอนไว้ในลักษณะนี้เพื่ออะารเพื่อต้องการสลายความไม่รู้ลดความรุนแรงความเข้มข้นของความไม่รู้ เพิ่มความรู้ขึ้นในจุดตัวมันเด็กคือในจุดที่เคยไม่รู้นั่นแหละแต่ท้ายก็จุดแสงสว่างขึ้ดในตรงกลางจุดที่เคยมืดัเด็กรอแสงสว่างเกิดขึ้นในจุดนั้นความมืดซึ่งเคยอยู่ในจุดนั้นก็ถูกจัดออกไปความความไม่กระตุ้นนี้อยู่ภายในใ จ, จิตใจของบุคคลก็จะมีลักษณะเช่นนั้นพระเจ้าก็ทรงมีคำสอนไว้ในระดับต่างๆโดยเนะื้อหาสาระทั้งหมดแล้วก็คือต้องการจะลดอวิชชา เพราะจุดสุดท้ายนั้นคือกลายเป็นวิชาเป็นจะรู้ความจริงในอริยสัจทั้งสี่ประการทำให้ท่านเดินใกล้ชิดที่จริงก็สัมผัสผสมกลมคืนกับพระพุทธเจ้าแนวารปฏิบัติตรงนี้ก็คือแนวการพยายามที่จะพัฒนาปัญญาจนถึงเป็นปัญญาระดับที่เรียกว่าวิปัสนากรรมะ ม้วก็มีกำลังมากพ อ, อเขาก็สามารถที่จะขจัดและลดความรุนแรงขรองวิชาลงไปได้ปัญหานั้นในแง่ของความจริงแล้วมันมีพื้นมีเชื้ออยู่ภายในใจเราแต่เราก็เก็บไว้เชื้อจริงๆมันไม่จะทำได้เสมอไปเพราะคนเราถ้าหากว่าไหลไปตามกระแสะตำนานทุกเรื่องมนก็เป็นโรคปาะสา์หมดแล้วมันมีเยอะที่มีการกระตุน้นเตือนจากข้างนอก มีรูปสวยๆมาล่อมีเสียงไปร่ะมาล่อมีกินน้องปอมมาล่อมีรถอร่อยๆมาล่อแล้วก็มีสัมผัสไดจะต้องมาล่อแต่ว่าพื้นฐานจิตใจของบุคคลนั้นไม่มีปัญญาเพิ่มขึ้นมันก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ระวังเป็นประโยชน์ด้วยกันอะไรเป็นประโยชน์ยั่งยืนกว่าอะไรที่มีปัญหาน้อยกว่ามีทุกน้อยกว่ามีความปลงบามป็ความชละสลวยมากกว่า คนคนหนึ่งเขจะเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าซึ่งก็หมายความว่าถ้าวิชาไม่ลดท่านก็เลือกไม่ได้ปริชาปรอวิชาลดลงไปท่านก็เลือกจะน้อยท่านก็คุมความอยากไว้ได้ที่ท่านเรียกว่าเป็นความเห็นชอบตามตําหน่งครองธรรมถ้าเราเราพูดในกุศลกรรมบดุ้ยเจ้าท่านใช้กำมาเห็นชอบตามตําหนครองธรรม หมายความมาบุคคลได้พัฒนาวิชาขึ้นไปก็ยังรู้อะไรไม่หมดหรอกแต่ว่าไปจับหลักอยู่ที่ธรรมนองครองธรรมหมายความมากดเกณฑ์สิ่งต่างๆที่มีการพูดมีการแสดงตลอดถึงความเป็นของเราก็เมื่อจะหาข้อยุติว่าถูกหรือไม่ถูกจริงด้วยไม่จริงก็นําไปเทียบเคียงกับทํานองครองธรรมตูวถ้ายุติได้หลักในธะํา น, นองครองธรรมก็ถือว่าใช้ได้ เพื่ที่ถือหลักธํานองครองธรรมซึ่งก็หมายความตรงนี้ท่านเชื่อที่มาของทํานองครองธรรมและได้ก็มีความรู้ในเรื่องทํานองครองธรรมตลอดถึงกระบวนการที่มาของธํามนองครองธรรมซึ่งก็หมายความว่าการในจิตใจของท่านนั้นอวิชชาได้จางลงแ ต, ต่ไม่ปัญหาได้ถูกควบคุมเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งโดยเราไม่พควบคุมได้ทั้งหมดไปจินคนมิจฉาปัญหาได้เนี่ย มีที่เรื่องธรมธรมดาธรรมดาปริญญาบุคคลสองพวกได้ยังละไม่ได้คนที่เริ่มละการมาตัณหาได้คือพระนาคามีเพราะนั่นก็จึงคนในโลกที่ละพวกกรมตัณหาได้เด็ดขาดออกไปจากใจก็มีเฉพาะพวกพุท ธ, ธคือพวกพระนาคามีพระอรหันต์แล้วก็พระปัจเจกพรพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้เมื่อเราพัฒนาปัญญาขึ้นไป จะคุมกระแสปัญนาเอาไว้คือหมายความว่าไม่ได้อยากไปทุกเรื่องแต่ไม่ถึงกับไม่อยากอะไรเลยเพียงว่าอยากในเรื่องที่ตนมีสิทธิที่ควรจะมีควรจะได้ควรจะเป็นถ้ามองใกล้ๆก็เราซืของเราอยากได้ของเราก็อยากได้เฉพาะสิทธิที่เราควรจะได้แล่วมนได้มาแล้วเราก็เป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้น โดยการปฏิบัติในยะนี้ทำไมอุปาทานยึดถือว่าเป็นของเราบ้างเรามีความเห็อย่างนั้นอย่างนี้บ้างเวลาเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่เราถึงให้ความต้องการแก่ความคิดคําพูดคนตัวเองก็จะลดน้อยถอำลงไปเพียงแค่ว่าการปฏิบัติในแนวนี้ก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีอริออยาบทพิเศษอะไรก็ได้ ประเก็นำอยู่ที่การนำอภิปุจจคุณมาคิดแล้วก็คิดได้ทุกตนท น, นทางคิดได้เมืไรก็ได้ดไหรือแม้แต่ก่อนจะนอนมันก็เอามาคิ ด, ด ก, ก่อนจะหลับก็ได้นั่งไปในยานภาณาแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านไปก็พยายามคิดไวด้เรื่อยๆพลังของวิชาหรือปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นพลังของความสงบหรือการที่ตนรู้สึกว่าได้สัมผัสความสุขในระดับต่างๆก็จะคือขึ้นภายในจิตใจ เป็นผลในลักษณะที่เรียกว่าปัจจตังเก็รู้กันได้จะปอดตัวซึ่แน่นอนการจะเกิดผลโดยระดับไดก็ตามผลไหนจะสึกเื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสติสัมปัญญาและความเพียรของท่านปนั้นเป็นการทงกันต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข